ส, สิการบอกเคลืนศิกขาด้วยการอ้างว่าพระมจันทร์ทําได้ยาก8ดบท50วงเล็บหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุกระสันไม่ยินดีปรารถนาจะศึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นเครือขัดปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยาบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าพระมจันทร์ทําได้ยากวงเล็บสอง ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าพรหมจรรย์ทำไม่ได้ง่ายวงเล็บสาภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าพรหมจรรย์ประพฤติได้ยากวงเล็บสี่ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าพรหมจรรย์ประพฤติไม่ได้ง่ายวงเล็บห้าภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเราไม่อาจวงเล็บหภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเราไม่สามารถวงเล็บเจ็ด ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเราไม่ยินดีวงเล็บแปดภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเราไม่รื่นเริงภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกคืนศิกขา